เอาต่อไปเตรียมพร้อมเพื่อรับบุญก้อนสำคัญในช่วงต่อไปนี้เพื่อประหยัดเวลาให้ท่านทั้งหลายเตรียมพร้อมการเป็นนักฟังที่ดีหลักง่ายๆเชิญทุกท่านนั่งทำใจให้สบาย ภาษาพระในเวลาทําใจให้สงบไม่คิดเรื่องอื่นสเปะสปะมีเรื่องอื่นเยอะแยะงดคิดไม่เอาความคิดไปเกี่ยวข้องลักษณะที่ไม่เอาความคิดไปเกี่ยวข้องเรื่องอื่นสเปะสปะจิปะทะเรื่อยมากมายแต่เอาความคิดเกาะติดเสียงพระที่กําลังเทศ คล้ายๆก็ให้จิตมันรู้ตัวว่าต่อไปนี้เรื่องอื่นฉันไม่คิดฉันไม่ยุ่งฉันจะเอาความคิดคือสติสัมปชัญญะนี่เกาะติดเสียงเ ท, เทศเท่านั้นว่าพระพูดอะไรพระอธิบายอะไรพระให้เหตุผลอะไรเมื่ออธิบายเหตุผลแล้วท่านยกตัวอย่างประกอบเหตุผลว่ายังไร การตั้งใจให้เด่นชัดในแนวทางอย่างนี้ถือว่าเตรียมจิตเตรียมใจของการเป็นนักฟังที่ดีเมื่อเตรียมตัวพร้อมเข้าใจหลักในการเตรียมตัวการฟังก็จะได้ผลดีมากมายได้บุญเยอะได้กุศลเยอะได้บารมีเยอะ ฉะนั้นคําว่านั่งสมาธินะเขาพูดเอาคําว่านั่งเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นกิริยากิริยาการนั่งแต่ที่จริงแล้วในความหมายคําว่าสมาธิไม่ได้เน้นการนั่งแต่เน้นจิตใจแม้จะนั่งทางร่างกายให้ปรากฏว่าขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายแบฝ่ามือวางหน้าตัก นั่งอย่างนี้แล้วเป็นสมาธิไหมนี่ไม่เป็นก็ได้เพราะสมาธิมันไม่ใช่เรื่องของขาของมือมันเป็นเรื่องของใจที่สงบไม่ว้าวุ่นใจไม่ฟุ้งซ่านใจไม่หงุดหงิดใจไม่กระสร่านกระเซ็นถ้ามันไม่ฟุ้งซ่านไม่หงุดหงิดไม่กระสร่นกระเซ็น อ่านหนังสือใจไม่กระส่านกระเซ็นไปนอกตัวใจจดจ่ออยู่กับหนังสือก็เรียก อ, อ่านแบบใจเป็นสมาธิฉะนั้นตัวสมาธิแท้ๆเป็นเรื่องของการควบคุมความคิดให้นิ่งไม่ให้ซัดใสในหลายเรื่องขับรถรู้ตัวเขาว่ากําลังขับรถไม่ใจลอยไม่ไม่ตาเหม่อลอยไม่ใจคิดฟุ้งซ่านไปนอกตัวนี่เรียกว่าขับรถแบบใจเป็นสมาธิ การวาดรูปก็ต้องมีสมาธิใจอยู่กับเนื้อกับตัวจะเขียนหนังสือก็จําเป็นต้องมีสมาธิถ้าจะปากกาเขียนหนังสือแต่ใจลอยนอกตัวเขียนผิดๆถูกๆแล้วสำนวนก็ไม่ดีด้วยเมื่อเขียนในขณะจิตว้าบุ่นฉนั้นถ้าขาดสมาธิแล้วนี่ไม่เพียงแต่ทํางาน ให้เสียหายเป็นงานทางกายเสียหายงานทางวาจาเสียหายงานทางวาจานี้จําเป็นต้องมีสมาธิด้วยหรือนักเทศถ่าใจกลุ่มคิดวุ่นวายจะเทศสเปสปะแน่นักเทศด้อยคุณภาพเพราะเวลาเทศใจไม่เป็นสมาธิไม่ได้อยู่ในเรื่องที่กำลังจะเทศ นี่เรยว่างานทางวาจาก็เสียหายเวลาสวดมนต์เป็นงานทางวาจาปากสวดไปแต่ใจลอยก็สวดผิดผิดถูกถูกอันนี้อาตมาเองก็เป็นเหมือนกันในบางครั้งทุกคนหนีกฎของสัตว์จะทำไม่ได้หรอกความเป็นจริงมันมีอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านรู้ความจริง ท่านจึงเอามาสอนจากนั้นพี่น้องทั้งหลายอาตมาไม่อยากให้มักง่ายปึ๊บปั๊บก็เทศเลยเอาแต่ทำเนียมเรื่อยพระก็เทศโยมก็คุยกันเป็นละครไปหมดหนึ่งเหมือนกับเป็นคนไม่รักตัวเองเพราะเวลาพระเทศถ้าเราคุยนี่หนึ่งคนอื่นก็จะมองว่าอุยคนคนนี้ไม่น่ารักเลยไม่น่านับถือเลยเป็นคนไม่รู้จาั ก, การะเทศะ ฉะนั้นขณะพระเทศนี่ถ้าเราคุยกันนี่เท่ากับว่าเปิดทางให้คนอื่นดูถูกดูหมิ่นตัวเองว่าเป็นคนไม่มีมารยาทไม่รู้จักกาละเทศะแล้วนอกจากนั้นยังถือว่าไม่ให้เกียรติพระเลยพระคือใครเป็นอุดมมเพศเป็นคนนี่แหละโดยรูปแบบไม่แปลกหลอกโนผมห่มเหลือง แต่สิ่งที่สำคัญคือสมณะสัญญาสมณะสรูปคนผมห่มเหลืองแล้วยังไม่เป็นพระแต่นั่นคือรูปแบบว่าหนีออกชาวบ้านขอให้แต่งตัวอย่างนี้แต่คุณสมบัติจริงๆที่เรียกว่าสมณะสัญญาหรือสมณะสรูปนี่จะต้องอยู่ที่การทำ ดีงามถูกต้องตามศีลตามธรรมการพูดดีงามถูกต้องตามศีลตามธรรมจิตใจที่เยือกเย็นสุขุมหนักแน่นความเป็นพระที่สมบูรณ์แบบต้องดีทั้งกายวาจาและใจตรงนั้นสำคัญฉะนั้นระหว่างพิธีรีตองในเดียวนี้ชาวพุทธส่วนมากเอากันเลือกเกินพิธีรีตองว่าศีลตามพระ พระวาศีนเสร็จพระกลับวัดโยมกับเมาต่ออย่างนี้แหละเขาเรียกว่ารับพอเป็นพิธีก็ว่าตามเหมือนกันแหละว่าศีลตามพระแต่ก็ไปลักไปจี้ไปปล้นผิดศีลข้อสองทั้งทั้งเตรับศีลเหมือนกันแหละอย่างนี้เขาเรียกว่าได้แต่พิธีรีตองพิธีรีตองนี่ไม่ใช่คุณสมบัติของชาวพุทธน่าจะกล่าวได้ว่าเป็น คุณสมบัติของหมอลำลิริเกเขาแสดงอะไรมันไม่เป็นจริงหรอกเขาเอาแค่พิธีเขาจะออกหน้าฉากมาสามทุ่มสี่ทุ่มก็ตามเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้สายแล้วเก้าโมงเช้าแล้วนั่งคอยตั้งนานแล้วยังไม่เห็นลูกมาเฝ้าเลยว่า้นอะไรมันสามสี่ทุ่มแล้วยังบอกว่าสามโมงเชา้าก็เขาแสดงเป็นพิธีตามเรื่องตามราวตามการสมมติมันไม่เป็นจริง ข้าไปเจ้าชื่ออย่างนี้อย่างนี้ครองเมืองนั้นเมืองนี้มันสิครองเมืองไหนก็หาเหลี้ยงง้วเลี้ยงคั้วหาเผือกหามันหาปูหาปลาอยู่แต่ว่าเขาสมมติมันไม่เป็นจริงทีนี้ถ้าเราเป็นชาวพุทธไม่ได้เป็นจริงๆเลยคุณสมบัติที่ว่าอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสัสาวโกนี่คือบทสังกับบทรวบยอดของความเป็นพุทธมันเป็นตรงไหน พระพุทธเจ้าว่าความเป็นพุทธไม่ได้อยู่ที่พิธีรีตองฉะนั้นขอให้ประเมินดูตัวเองว่าเป็นพุทธแค่ไหนนั้นมองจากที่พระพุทธเจ้าท่านตีกรอบไว้ว่าคนเป็นพุทธต้องมีคำว่าอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสสะสาวโกแปลแบบเป็นตัวหนังสืออาจจะไม่ เพราะพริ้งนักก็แปลว่าบุคคลผู้ที่เฉียบแหลมหรือรุ่งโรดด้วยสติด้วยปัญญาจึงจะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าหมายความว่าเป็นคนที่ทำอะไรก็ทำด้วยความฉลาดสิ่งที่ทำนั้นมันดีงามเอาความฉลาดสองว่าออมันดีงามไหม สิ่งที่ทำนั้นมันเป็นคุณเป็นประโยชน์เมื่อได้ทำไปไหมจะเหนื่อยก็เหนื่อยในเรื่องที่ดีงามเป็นคุณเป็นประโยชน์อย่างนี้เรียกว่าทำแบบมีสติมีปัญญาสติปัญญาไม่มืดไม่บอดเวลาจะพูดอะไรสิ่งที่จะพูดมันทำให้เสียนิสัยไหมมันเสียสมบัติผู้ดีไหมคำพูดมันเฉือนหัวใจคนไหม พูดแล้วมันทำให้คนอื่นทุกใจแต่เราสะใจอย่างนั้นใช่ไหมไปหลอกลวงคนอื่นแล้วเขาหลงเชื่อถือว่าเป็นความสามารถของตัวเองใช่ไหมคนมีปัญญาจะต้องรู้จักอะไรถูกอะไรผิดอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญเมื่อแน่ใจว่าสิ่งนั้นดีงามแน่ใจด้วยสติด้วยปัญญาแน่ใจว่าสิ่งนั้นถูกต้องตามศีลตามธรรม แน่ใจว่าสิ่งนั้นเป็นคุณเป็นประโยชน์แล้วก็พูดสิ่งนั้นแสดงว่าเอาความฉลาดนี้เป็นตัวนำทางการกระทากระทาด้วยสติปัญญาพูดด้วยสติปัญญาจะคิดอะไรก็ไม่ได้คิดมืดมนอนทาการสเปะสปะพระพุทธเจ้านั้นเป็นนักพัฒนาชีวิตที่ดีสุดยอดสมบูรณ์แบบอาตมาอยากจะใช้คำว่าสุดยอดสมบูรณ์แบบ ฉะนั้นพระองค์จะทรงกระทำอะไรจะทรงรัดอะไรคือพูดอะไรก็ตามเมื่อเราทำอะไรไปนี่คนมองเห็นด้วยตาการกระทำหน้าเกลียดหน้าชังก็เห็นด้วยตาสุภาพหรือไม่สุภาพเราก็เห็นด้วยตาอยากให้คนรักเขาก็พิถีพิถันการกระทำที่สุภาพเรียบร้อยอยากให้คนชื่นชอบนิยมชมชอบอยากให้คนรักเรานับถือเราบางคนก็พยายามพูด ให้สุภาพเรียบร้อยพูดแบบผู้ ด, ดีเพราะการแสดงออกภายนอกทางกายและทางวาจามันกระทบเห็นชัดเจนทำดีพูดดีก็เห็นชัดเจนเห็นผลดีมันเกิดถ้าทำชั่วคนก็รู้ว่าชั่วตีหัวคน ก, ก็รู้ว่าไม่ดีพูดด่าคน ก, ก็รู้ว่าไม่ดีแต่ใจเราคิดดีคนอื่นก็ไม่รู้ มันอยู่ในใจเราเราคิดชั่วคนอื่นก็ไม่รู้แต่แม้ไม่รู้พระพุทธเจ้าก็าให้เอาปัญญานาความคิดอย่าไปบอกว่าคิดยังไงก็ได้คนอื่นไม่รู้นี่แบบนี้เป็นชาวพุทธไม่ได้ชาวพุทธต้องเอาตัวความฉลาดที่เรียกว่าปัญญาเป็นตัวนาการกระทาเป็นตัวนำการพูดแม้แต่ความคิดที่เรียกว่า ควรใช้ความคิดในกรอบพระพุทธเจ้าว่าความคิดดีๆมันมีเยอะแต่ที่หลักๆคิดในเรื่องต่อไปนี้แล้วเป็นประโยชน์ก็ เ, เรียกอนุสติสิบสติมั น, น, น, น, น, น, น, นว่าแปลว่าตัวความคิดอนุนั้นแปลว่าตามคิดบ่อยๆคิดเรื่องเหล่านั้นบ่อยๆมีแต่ดีกับดีแต่ถ้าเราไม่มีกรอบความคิดบางคนคิดแล้วมันเดือดร้อน เราไม่ประสงค์เดือดร้อนแต่เราคิดแบบสเปะสปะคิดแบบไม่มีครูคิดแบบโง่ฉะนั้นความคิดมันนำความวิบัติมาสู่คนได้เหมือนกันความคิดเป็นต้นทางของความวิบัติความคิดเป็นต้นทางพาคนไปสู่นรกความคิดเป็นต้นทางพาคนไปสู่อบายภูมิขณะเดียวกันถ้าความคิดฉลาดความคิดจะเป็นต้นเหตุ พาคนไปเกิดในสวงสวรรค์พาคนไปเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจฉะนั้นใจนี้สําคัญมากเตรียมฟังเทศด้วยการทําใจให้เป็นสมาธิเอามือวางหน้าตักคล้ายๆว่าไม่ให้กายกระดุกกระดิกเดี๋ยวใจมันจะวอกแวกวันนี้อยากจะเห็นนักบุญบนเบทีต่อยมวยต้องต่อยเต็มที่เลาะแหละไม่ได้ ถ้าอยากจะร้องเพลงต้องต่อยมวยเสร็จลงมาจึงค่อยร้องเพลงถ้าอยากจะกอดคอกันเต้ น, จ, น, นจังหวะนั่นจังหวะนี้ต้องต่อยมวยเสร็จก่อนจึงค่อยกอดคอกันเต้นนักฟังเทศนักเทศเหมือนกันต้องให้ใจอยู่กับเรื่องนี้ผู้เทศก็ต้องไม่คิดเรื่องอื่นคิดมุ่งจะอธิบายธรรมะคิดว่าตัวเองกำลังเผยแผ่าศาสนาคิดว่าตัวเองเป็นคนรับใช้พระพุทธเจ้าเอาธรรมะมาฝากพี่น้อง จะต้องทำด้วยสมาธิจิตที่ไม่วอกแวกถ้าจิตวอกแวกตัวปัญญาก็จะเลือนลางการพูดไม่คมการเขียนไม่คมเพราะขณะนั้นมันใจไม่เป็นสมาธินักเทศก็เอาดีไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิฉะนั้นอาตมาเองก็อยากจะให้ตัวเองได้บุญอาตมาก็พยายามเทศแบบใจเป็นสมาธิประกอบด้วยคุณธรรมคือควา ม, มเมตตาต่อผู้ฟังและก็ด้วยความจงรักภักดี ว่าตัวเองคือธาตุผู้รับใช้พระพุทธเจ้าเอามรดกที่ล้ำค่าคือคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นเหมือนสมบัติอันล้ำค่าที่คนรู้แล้วเอาประพฤติปฏิบัติแล้วจะได้ประโยชน์เยอะนี่เขาเรียกว่าเป็นมรดกที่ล้ำค่าเหมือนมีทองคําก้อนไม่ใหญ่โตเท่าก้อนหินหรอกแต่มันมีค่าเยอะฉะนั้นธรรมะ คำสอนของพระพุทธเจ้ารู้บวกลบคูณหารก็อาจจะพาชีวิตล่มจมได้แต่ถ้ารู้ธรรมะจนจิตมันละเอียดมันลึกซึ้งในธรรมะแล้วเนี่ยมันทำชั่วไม่ลงพูดชั่วไม่ลงหรอกใจมันละอายใจมันกลัวว่าจะเป็นบาปเป็นกรรมอย่างนั้นอย่างนี้หิริโอตตปะมันไม่ได้เกิดง่ายๆหรอกตัวปัญญาที่เห็นความจริงเท่านั้นหิริโอตตปะคือความละอายใจมันถึงจะเกิด ไม่อยู่ตอนต่อหน้าพ่อแม่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าครูบาอาจารย์เราอยู่คนเดียวเราก็ไม่กล้าทาชั่วไม่กล้าพูดชั่วเพราะตัวปัญญามันรู้อันนี้ควรไม่ควรอันนี้จะเป็นบาปเป็นกรรมอันนี้จะทำให่เสียนิสัยอันนี้จะเป็นเหตุให้เกิดความวิบัติฉะนั้นตราบใดถ้ามนุษย์ยังพัฒนาความคิดไม่ถึงระดับสัมมาทิฏฐิเป็นความคิดแบบสเปะสปะไม่ได้เอาธรรมะมาเป็นตัวองิง ไม่เอาธรรมะมาเป็นกรอบของความคิดแต่เอากระแสสิ่งที่มากระทบทางตาเห็นสวยความคิดก็โอ๊ยโ อ, ยโ อ, ยโอยทำไมสวยจังบางทีก็คิดไปเลยเถิดแล้วก็ทำกรรมชั่วเพราะความคิดมันพาคิดชั่วเอ น, นี่ลูกสาวใครเดินมาคนเดียวสวยจังฉันจะคมขืนกลัวจะเขาจะไปฟ้องร้องคนอื่นฉันจะฆ่าทิ้งถ้าจิตมันคิดอย่างนั้นมันจึงเกิดการกระทำที่ โหดเหี้ยมผิดมนุษย์ผิดมนาฉะนั้นเราเป็นคนนี่เราต้องดูแลความคิดด้วยแม้จะไม่มีใครเห็นก็ต้องดูแลการเทศเป็นการมุ่งช่วยคนที่ความคิดโดยตรงถ้าฟังเทศแล้วความคิดไม่ได้ฉลาดขึ้นความคิดไม่ได้เยือกเย็นสุ ข, ขุมหนักแน่นขึ้นการฟังเทศก็ถือว่าเป็นสุญยากาศจบก็คือจบจิตใจไม่ได้อะไรเลย น่าสงสารเป็นโมฆะบุรุษโมฆะบุคคลครั้งแล้วครั้งเล่าฟังเทศเท่าไหรก็ไม่มีกระเตื้งขึ้นแบบนี้เป็นนักลงทุนที่ขาดทุนย่อยยับเหนื่อยในเรื่องใดแล้วไม่เกิดประโยชน์ถือว่าเหนื่อยอย่างศูนย์เปล่าแต่บางอย่างนั้นเหนื่อยแล้วได้โทษอันนี้น่ากลัวพี่น้องทั้งหลายอัตมาเทศแบบบุรณาการไม่ไดเอารูปเอาแบบอะไรมากมายหรอก ถ้าบอกกับพี่น้องนั่งสมาธิเขาอาจจะไม่เต็มใจทำตามก็เลยพูดว่าจิตใจนั้นสําคัญพี่น้องจะพับเพียบก็ตามจะนั่งขัดสมาธิก็ตามไม่เป็นไรหรอกร่างกายแต่ตอนนี้อยากให้ทุกท่านใช้หูฟังด้วยใจที่เป็นสมาธิเวลาจะเขียนหนังสือก็ใช้มือเขียนด้วยใจที่จดจ่อเป็นสมาธิในเรื่องที่เขียนเวลาขับรถก็ใช้เท้า เหยียบคันเร่งใช้มือจับพวงมลาลัยก็ให้สติมันอยู่กับมือกับเท้าด้วยไม่เช่นนั้นมือจะนำความวิบัติมาสู่ตัวเรารถจะพังยับเยินแล้วคนที่อาศัยรถโดยสารตลอดทั้งคนตามถนนน้นทางมันเดือดร้อนไปหมดแหละฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ถ้าคิดดีๆแล้วการขาดธรรมะน่ากลัวมากถ้าคิดดีๆอย่างลึกซึ้งแล้วการมีธรรมะมันดีเหลือเกินทาให้เราอยากรู้อยากปฏิบัติ เขาเรียกจิตมันเกิดศรัทธาไม่ได้กลัวเหนื่อยถ้าจะอ่านธรรมะไม่ได้กลัวเหนื่อยถ้าจะฟังเทศเพราะจิตมันมีศรัทธาเชื่อมั่นในคำสอนว่าสิ่งสำคัญจำเป็นควรรู้ควรประพฤติปฏิบัติแต่ถ้าคนพิจารณาผิวเผินนี่ธรรมะก็ไม่อยากอ่านพระเทศก็ไม่อยากฟังตกลงมีตาก็เอาไว้อ่านการ์ตูนเล่นๆมีหูก็เอาไว้ฟังเสียงเป็ดเสียงไก่เสียงคนด่ากันทะเลาะกัน ทำไมหูเราจึงไม่มีศักดิ์ศรีบ้างหรือฟังสิ่งดีๆที่จะพาเจริญไม่ได้หรือมันอยู่ที่วาสนาคนคนมีวาสนาอยู่ในใจนั้นหูนั้นจะหาแต่ความดีความงามมาสู่ตัวเองแต่คนที่ใจเลวใจมีบาปมีกรรมสร้างนิสัยไม่ดีในชาติก่อนตายมาในชาตินี้บาปมันค้างอยู่ในวิญญาณเยอะบาปอยู่ในใจมันก็สั่งการบว่า อ, อย่าไปฟังเทศเลย มันน่าเบื่อหน้าเซ็งไปฟังเพลงในคาราโอเกะดีกว่าดีดดิ้นยังกระเยียบไฟแล้วก็เต้นชักเต้นงออยังกระปอบเข้าอย่างนั้นแล้วก็อุย้ยถึงพริกถึงขิงจิตมันพาไปทั้งนั้นแหละท่านทั้งหลายมาที่นี่จิตหรือวาสนานะมันพามามันมีสิ่งหนึ่งอยู่ในใจกระวาสนาวาสนาในภาษาดั้งเดิมในวาสนาหรือวาสนาเนี่ยมันเป็นภาษาบาลีมันแปลว่าสิ่งที่อยู่ในใจของแต่ละคนนั่นแหละมันเป็น เหตุให้เกิดพฤติกรรมต่างๆกันคนนั้นโหดเหี้ยมฆ่าพ่อฆ่าแม่การฆ่ามันแสดงออกภายนอกแต่ตัวที่มันอยู่ในใจก็คือนิสัยเลวมันจนมันจนด้านหมดแล้วด้านต่อศีลต่อธรรมไม่มีหิริอตตปะเลยจิตใจแห้งผากจากศีลจากธรรมสังคมทุกวันนี้จึงเป็นการพัฒนาที่ปลายทางไม่ค่อยคำนึงเรื่องจิตใจ ตั้งเป้าหมายอะไรก็จะทุ่มเทน้ำไหลไฟสว่างทางสะดวกอยู่อย่างนี้แหละประเทศไทยเคยพัฒนาโดยไม่มีแผนการต่อมาเห็นประเทศตะวันตกเขาพัฒนาเจริญเร็วเพราะเขามีรูปแบบในการพัฒนามีแผนในการพัฒนาอยากจเจริญตามฝรัง่งอยากจเจริญตามยุโรปไทยก็เริ่มมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่พี่เลี้ยงผู้มาช่วยทำแผนกลายเป็นฝรัง่ง ฝรั่งก็ตีบทไม่แตกมาทําแผนพัฒนาประเทศไทยก็จะให้เจริญเหมือนฝรั่งก็เลยหายใจเป็นน้ําไหลไฟสว่างทางสะดวกแผนพัฒนาประเทศไทยตั้งแต่ฉบับที่หนึ่งจนถึงฉบับที่เจ็ดงบประมาณของประเทศชาติทุ่มเทมาไม่เพียงพอกู้ประเทศอื่นมาเอามาพัฒนาให้กระทรวงนั้นเท่านั้นกระทรวงนี้เท่านี้แต่แม้สูญเสียมาหลายปี เริ่มมีแผนตั้งแต่ 2,500 505สิมีแผนมาตลอดพัฒนาประเทศแบบมีแผนทำไมมันถึงสเปะสปะเพราะมันเป็นแผนที่พัฒนาวัตถุถนนมันเป็นหลุมมันก็ไม่ไปเบียดเบียนใครแต่หัวใจคนเป็นหลุมนี่สิมันแย่ฉะนั้นแผนเราหมดเงินไปเยอะจากแผนที่หนึ่งถึงที่เจ็ด พอมีการก่อกรรมทาเข็นในบ้านเมืองมากๆประเทศไทยจะโดยรัฐบาลหรือโดยประชาชนเรียกร้องก็ตามเถอะโดยนักวิชาการก็ตามเถอะบอกว่าไม่ไหวแล้วเดินตามก้นฝรั่งนี้มีแต่วัตถุเจริญแต่คนก็เตี้ยลงเตี้ยลงจิตใจเลวซามลงฉะนั้นศูนย์เสียแผนที่หนึ่งถึงแผนที่เจ็ดแต่ละแผนนั้นใช้ห้าปี ก็ลองเอาห้ามาคูณเจ็ดดูซิกี่ปีที่พอเราหลงทางมาห้าเจ็ดสามสิบห้าสามสิบห้าปีเต็มเต็มที่เราเดินตามฝรั่งชนิดที่ว่าเข้ารกเข้าพงปัญหาบ้านเมืองนับวันจะสลับซับซ้อนขึ้นเราเริ่มลืมตาขึ้นบ้างว่าโอ้ผิดทางแล้วแหละยิ่งเข้าป่ารกไปเรื่อยแผนที่แปดคือแผนแรกที่เริ่มมุ่งพัฒนาคน พอเข้าสู่แผนแปดเท่านั้นแหละเงินทองโอ้โหอยากให้หน่วยข้าราชการต่างๆอบรมสัมมนาเอาไปขัดไปเกลาให้ข้าราชการทุกแผนกทุกฝ่ายทุกกระทรวงตะวงกรมเป็นคนดีโครงการเกิดขึ้นเยอะแยะอบรมแล้วก็รายงานว่าได้อบรมแล้วได้เกียรติบัตรแล้วแต่บางคนก็ไปเซ็นชื่อเสร็จแล้วชอบกระโดดรม่มวันสุดท้ายก็มารับใบประกาศกับเขา ทั้งๆ ท, ที่แผนมันดีแล้วแผนแปดมันเริ่มเข้ามาทุ่มเทกับการพัฒนาคนแต่แผนดีเหมือนถนนดีแต่คนไม่เดินตามถนนกลับไปเดินในป่าน่าสงสารแผนถ้ามันมีชีวิตแล้วน่าสงสารมากเหลือเกินเดี๋ยวนี้พ่อเราอยู่แผนไหนนี่แผนเก้ามีแผนแปดกับแผนเก้านี่แหละที่เอาคนมากหน่อยทุ่มเทกับคน วันนี้กิจกรรมของพวกเราก็เหมือนทำเพื่อพวกเราแต่ที่จริงแล้วเท่ากับว่าเราพัฒนาคนอย่างแท้จริงตามแผนที่แปดและที่เกเห็นคนเป็นทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติเราเคยมีทรัพย์ในดินสินในน้าประเทศไทยตั้งใจจะพัฒนาประเทศแข่งกับญี่ปุ่นและสิงคโปร์แต่ก่อนโน่นคู่ต่อก่อนเรามีทรัพย์สมบัติ ที่เขาเรียกว่าป่าไม้เราก็ขายจนป่าไม้ไม่มีจนเราหยุดสัมปทานไปเยอะแถวต่อแดนประเทศเขมรแต่ก่อนอเปิดสัมปทานจนเหลือแต่ตอแล้วเราก็หยุดเปิดสัมปทานพอประเทศไทยจนแล้วหมดป่าหมดต้นไม้ที่จะหาเงินเข้าประเทศแล้วเราก็ไปลุยหาทรัพย์สินในน้ำหรือใต้ดิน เอาจนทรัพย์สินใต้ดินก็ไม่ค่อยจะมีปลาในน้ำก็ไม่ค่อยจะมีการส่งออกแย่ yeah, อีกไทยตกอยู่ในฐานะเสือลำบากทรัพย์สินของประเทศบนบกก็ร่อยหรอทรัพย์สินในน้าที่เคยทำไรายได้ให้ประเทศสูงส่งก็ร่อยหรอเดี๋ยวนี้ไม่รู้ประเทศชาติจะหวังพึ่งอะไรแล้ว สงสัยก็จะส่งมนุษย์เป็นสินค้าขายต่างประเทศเระมั้งเพราะเห็นว่าหลอกลวงกันไปขายเยอะเหลือเกินพูดมาทั้งหมดนี้เหมือนเหมือนกับไม่มีปีมีคลุยเนาะให้สีลเสร็จปั๊บก็เข้ามาเลยเรามาร่วมงานเราเอาตามาเราเอาหูมาอัตมาไม่ติดรูปแบบมากหรอกแต่จะขอพูดกับท่านทั้งหลาย ทำความเข้าใจอาตมาทั้งสงสารท่านทั้งหลายสงสารเพราะเหตุอันใดทั้งปลื้มใจกับท่านทั้งหลายปลื้มใจในประเด็นไหนที่สงสารก็คือว่ามามองดูว่าท่านทั้งหลายนี่เป็นคนใจงามงามถ้ามองในแง่าศาสนาทําไมถึงว่าใจงาม ไม่มีกฎหมายบังคับให้มาไม่ใช่ว่าใครไม่มาแล้วจะผิดกฎหมายมาตรานั้นมาตรานี้ไม่มีการขู่บังคับประตองไปฟังเทศแสดงว่าที่ท่านมานี้เป็นความงามที่น่าสะอ่อนคือคนใดที่คิดถูกทางว่าอยากจเจริญควรจะรับสินไปประพฤติปฏิบัติ อยากจเจริญควรจะมาหาความรู้จากการฟังเทศฟังธรรมตายไปแล้วอยากจะไปเกิดในที่ดีจะต้องมาทำบุญทากุศลให้จิตใจมันมีคุณสมบัติดีติดไปกับวิญญาณเพราะวิญญาณไม่ได้ถูกเผาวิญญาณจะไปเกิดวิญญาณไม่ได้ถูกฝังวิญญาณจะไปเกิดทีนี้จะให้วิญญาณมันได้นิสัยดีนะั่นนั่งฝันเนามันไม่ได้หรอกมักง่ายไม่ได้หรอก มันต้องยอมเหนื่อยยอมปวดแข้งปวดขาอย่างพวกเราแสดงออกเดี๋ยวนี้อาตมามาคิดว่าตัวเองนี่กลัวจะมีเวลาน้อยในการพัฒนาตัวเองอาตมาก็พยายามในขณะเดียวกันเมื่อตัวเองอยู่ในสังคมก็อยากจะช่วยสังคมถ้าเราเทศแบบพอแล้ ว, ลวไม่มีใครจับอาตมาหรอกแต่อาตมาน้อยใจเหมือนชีวิตในชาตินี้เกิดมาตั้งหลายปีหลายเดือน ทำไมเรามีค่าน้อยเหลือเกินช่วยคนให้มีหูตาสว่างไม่ได้อย่างนั้นหรือเรามันได้ค่านักหรืออะไรอย่างนี้ละความรู้สึกมันเกิดมีฉะนั้นเมื่อจะตายทั้งทีในเรื่องที่เราเสียเวลาเราก็อยากเสียเวลากับสิ่งที่เป็นประโยชน์จะได้ภูมิใจภูมิใจตรงที่ว่ามันเป็นประโยชน์เมื่อจะให้มันเหนื่อยด้วยก็อยากจะเหนื่อยในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่พี่น้องถ้ารู้ว่าเป็นประโยชน์ จิตมันภูมิใจว่ากําลังทําสิ่งที่ดีกําลังทําสิ่งที่เป็นประโยชน์จิตมันเลยไม่คํานึงว่าตัวเองปวดเอวไหมเหนื่อยไหมหิวไหมง่วงนอนไหมไม่ได้คํานึงเหมือนพ่อแม่รักลูกมากก็ไม่ได้คํานึงหรอกว่าตัวเองต้องทํางานตากแดดทํางานตัวเป็นเกลียวทํางานอาบเหงื่อต่างน้ํามันลําบากใช่ไหมใช่แต่ไม่คํานึงตัวเองลําบากก็ช่างเพราะใจมันคิดสงสารลูก อัตมามาคิดดูตัวเองว่าความตั้งใจที่มันรุนแรงไม่เหลาะหละภาษาพระท่านเรียกว่าอธิษฐานบารมีการสะสมนิสัยของคนไม่เหละหลอะจะทำอะไรก็ต้องคํานึงประโยชน์แล้วก็ทำทันทีก็แล้วให้มันให้มันแน่วแน่ในสิ่งนั้นเลยไม่โลเลถ้าสิ่งไหนดีแน่ใจว่าเป็นประโยชน์เราพูดทันทีไม่โลเลใจที่ไม่ละหละ ไม่โลเลในเรื่องที่มันดีงามเขาเรียกว่าอธิษฐานบา ร, รมีระ่าตั้งใจมั่นตั้งใจแน่วแน่ตั้งใจเด็ดเดี่ยวนี่ขนาดอธิษฐานบา ร, รมีนะเป็นหญิงหรือชายก็าตามเป็นพระก็าตามถ้าตั้งใจอะไรไม่เด็ดเดี่ยวไม่แน่วแน่เอาดีได้ยากพระโพธิสัตว์ทั้งหลายนักสร้างบา ร, รมีทั้งหลายเป็นพระโพธิสัตว์ไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้ เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ถ้าใจไม่เด็ดเดี่ยวแต่ความดีเยอะนะจึงจะได้เป็นอรหันต์แต่ความดีในใจที่เยอะๆอะอย่างนั้นสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คืออธิษฐานบา ร, รมีบ่ได้หมายถึงว่าอธิษฐานเรามานั่งจมพุ่ ม, พ, ม, พ, มพุ่ยเพอย่างสันดนอันนั้นมันอธิษฐานแบบคนไทยอธิษฐานมันเป็นภาษาบาลีอธิยิ่งใหญ่จำเพาะข้างหน้า ฐานะระว่าที่ตั้งเอาจิตตั้งแบบแน่วแน่ตั้งแบบเด็ดเดียวถ้าแปลตามรูปศัพ์มันเฉยเพราะมันเป็นศั์เทคนิคถ้า ง, งั้นไม่ต้องแปลรักษาศัพ์ไม่ต้องแป ล, บ แ, ปลแบบเทคนิคแต่แปลแบบเอาความอธิษฐานบา ร, รมีแปลว่าตั้งใจเด็ดเดียวปักใจเด็ดเดียว ฉั่นจะฟังเทศอย่างนี้แหละฉันจะทนไม่ได้เหนื่อยคนเดียวนี่ฉันจะไม่กระดุกกระดิกตายให้มันรู้ไปอย่างนี้แหละลักษณะของอธิษฐานบารมีมักจะเอาดีได้โดยส่วนมากถ้าไม่ขาดอธิษฐานบารมีฉันจะฝึกดีดพินให้มันเก่งเก่งจนได้จริงๆแหละถ้าไม่เลอะแหละไม่เลวไหลไฉันจะเรียนเทคนิคช่างยนต์ให้เก่งในบ้านของฉันฉันจะเก่งที่สุด ทฤษฎีฉันจะมองทะลุหมดภาคปฏิบัติฉันจะฝึกจะไปอยู่กับเท่า